เพอดีนะอาราธนาศีลพร้อมเตียงกันชมลมพุทธแสดงว่าก็ปีกันสวดบนไหว้พระปฏิบัติธรรมกันบ่อยอ่าสำรวมกายใจนะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็ฟังเทศภาจาร์ลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตา ตับใจใสบายเทศสบายแล้วก็มีบาลีเท่าไหร่เดี๋ยวตอนให้หลับตาจะบอกตอนให้จุดนั่งสมาธิก็มีเดี๋ยวจะบอกให้นะตอนนี้ให้ลืมตาเน้นสติการ น, นั่งสมาธิบางทีเราได้สมาธิดีแต่สติอ่อน บางทีมันก็เข้าพอวังไปสูก็เรียกอํานาจสมาธิเกิดสติเกินไปก็ปติดสงบก็จิตมันติดสงบอะไรกระทบมันกน็บางทีก็ไม่อยากไปวุ่นวายนะท่านอาจารย์เคยเป็นพอมันติดสงบแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งนอะนั่นสติมันมันติดชาญติดอำนาจสมาธิท่านอาจารย์ก็ดูหลายคนก็มานั่งนั่งหลับตาภาวนานก็ดีนะ แต่ยติดสมาธิพระห้าอินทรีย์ห้าศรัท ธ, ธาปัญญาวิริยะสมาธิสติอยู่เป็นตัวนำศรัท ธ, ธาปัญญาเป็นล้อหน้าวิริยะสมาธิเป็นล้อหลังสติเป็นโค้กขับยานคือปัญญายานของเราบาทีศรัท ธ, ธามากก็กลายเป็นงมงายไปหรืออะไรเชื่ออะไรโดยขาดเหตุผล ขอไครไม่ได้ว่าใครไปขูดต้นไม้ไปหาเลขหาเบอร์อะไรเงั้นเห็นอะไรมันแปลกๆ ก, ก็ไปยกมืไหว้แหะอันนี้ก็ไม่ได้นะสติเราปัญญาเราไม่ไม่เคยรู้ทันปนะัญญามากบางทีก็กลายเป็นกดอัตาสูงไม่ฟังใครอีโก้แล้วบางทีก็ถูกคนเดียวอะคนดื่นผิดนะนั้นก็ให้พอดี ศรัธาปัญญาเมื่อพอดีแล้วก็จะเป็นคนที่พูดกับใครก็ได้ผ่อนน้อมทำตนแล้วก็ไม่ดื้อรัน้นมันจะบาลานพอดีวิทยาสมาธิก็เหมือนกันถ้าเรามีสมาธิมากเกินไปบางทีมันมันเครียดปฏิบัติมากเกินไม่ได้พักผ่อนเคยมีคนปฏิบัติแล้วก็อ้เอาจทีกอาจังลาออกจากงานแนละ้วอันนี้มเกินไปนะ เราก็ทํางานไปปฏิบัติไปให้พอดีอย่าไปเครียดนะปฏิบัติทำไม่เครียดปฏิบัติได้จะสบายมีความสุขวิริยาความเปลี่ยนต้องมีเสมอเพียงในการรักษาจิตใจของเราให้ดีพูดดีคิดดีทําดีเสมอถ้ามันคิดไม่ดีเราอันตรายนะจิตเราจะเป็นอกุศล เดี๋ยววาจาก็เป็นอกุศลการกระทําที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นถ้าเรารักษาจิตได้เนี่ยมันมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเราอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเราพยายามมีเมตตาต่อกันพูดดีต่อกันให้อภัยกันมันจะไม่ไม่มีเรื่องแล้วมันน่าอยู่ในที่ทํางานมันอบอุ่นสมาธิก็สําคัญ คนไม่มีสมาธิในจิตไม่ตั้งมั่นนิว 5, รณ้าหนึ่งกามชันญานิวรติดในรูปแล้วจินเสียงสัมผสัสสองปัาปัจจานิวรหยุดนิ่โกรธง่ายสามาขขอุปจักกอุปจักรก็ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยสงบไม่เป็นเย็นไม่เกิดจิ ต, ตเตลิดตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้หาใจสบายไม่มี อกี้คุณโยมผู้ชายเนี่ยพระอาจารย์ส ก, กิณมานั่งไปไหนเขเริ่ไปรอบจีวทีออกไปกรุงเทพอไให้ไม่อยู่กับปัจจุบันจิตให้อยู่ปัจจุบันเมื่อกี้คุณโยมบอกดูลมหายใจอนาบาัสติก็ได้อนาบัตสติก็ได้คุณโทก็ได้แต่เราต้าสายดูจิตโยมก็ดูของโยมไปดูความคิดดูอารมณ์ของเราไปอย่าไปฟุ้งซ่านงั้นสมาธิก็จะเป็นตัวที่ ไม่ไม่ให้นิวรนเกิดตัวที่สี่ที่น้ำมิถะตัวง่วงตัวนี้สําคัญนะหลายคนนั่งเข้ามาตุ๊บนั่งสมาธิอลไพระอาจารย์ก็ดูเออดีนะนั่งสมาธิแต่อย่าขาดสติเดี๋ยวมันก็จะเข้าลบขูบาอาจารย์ตลอดเวลามันไม่ใช่แหละมันหลับมันก็ติดเนี่ยเวลานั่งสมาธิแล้วก็จะหลับนิวรมันไม่แก่มาจิตมันไม่อิน พอออกจากสมาธิตาแดงไปหมดมันจะนั่นใช่สมาธามันนั่งให้นิวรนครอบงำจิตใจของเร า, เาใครก็ใจโยมยุก ม, ม, มาขึ้นวนส่วนใหญ่เนี่ยสายสมาธิจะเป็นอย่างเนี้ยคือนั่งสมาธิได้แต่ยังไม่เป็นถ้านั่งเป็นเนี่ยมันจะใสกริ๊กเลยออกมานี่มันจะมีความรู้สึกสดชื่นไปหมดเหมือนอฝนมันตกใหม่ๆอากาศมันสดชื่นหายใจก็โล่ง โลกงโปรงไปหมดถ้านั่งสมาธิเป็นจะ่เป็นอย่างนั้นนะเขาจะอะไรเหรอขอเวลอยหน่อยไนดะ้ไมปลายใหญ่เลนะมันไปติดง่วงตัวที่ห้าลังรีสงสัยวิกิจิจชาจริงนะบางทีผูอ่านหนังสือเยอะเรียนหนังสือเยอะหนังสือมันไม่ได้บอกอย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นปลายใหญ่เะมันก็เลยติดสงสัยพอติดสงสัยปัญญาก็ไม่เกิดมันเลย การที่เราปริยับหรือทฤษฎีมันเรื่องหนึ่งไอ้ตัวปฏิบัตินี้ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องรู้ตามความป็จริงของกายและใจรูปและนามพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าสอนย่อแล้วก็เหลือตายและใจรูปและนามย่อที่สุดเหลือดจิต ด, ดวงเดียวไม่ว่าโยมจะฝึกสายไหนวัดไหนสุดท้ายก็เหลือจิต ด, ดวงเดียว พุทโธพองหนอยุบหนอสติผัสฐานสีอะไรก็แล้วแต่จบที่จิตหมดยอมมีสติรักษาจิตใจให้ดีที่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าบอกจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประทานนั้นหลวงปูกมั่นกับพุทโธไว้เด้อ่ยพุทโธพุทโธกับที่ใจแต่และกพุทโธ ท, ที่จมูกกว่าหายใจเข้าพูหายใจออกทงเพราะมันทรงชานได้กับพุทโธ ท, ที่จิตหมรู้จิตตลอด ในที่นี้เราจะรักษาจิตได้พอรักษาจิตได้เราจะมีความสุขเมื่อกี้พระอาจารย์กราบพระพระสงฆ์กลาบพระพุทธรูปรู้สึกมีความสุขไหมเป็นบางคนน้าตาไหลนะมีปิติธรรมไหมใครรู้สึกได้ยกมือขึ้นหลายคนน่มันเกิดความซาบซึ้งขึ้นมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเ อ, อหลวงพ่อชาสอนท่านอาจารย์ชยสโรรู้จักไปพระฝรัง่ง เสยยาสรพช้อนถ้าเธอกาบผ้าเป็นนะน้ำตาเธอจะไหลจุกรังายมอย่าเพิ่งหลับตาโยมไปแล้วสอบมงกอกแล้วไอ้ต้องเคารพผ้าจานบ่อยลืมตาบอกผ้าจานเทศไม่ต้องหลับตาเทศง่ายจะเทศให้เน้นปัญญาตัวรู้สมาธิโยมดีอยู่แล้วนะเน้นปัญญาขึ้นอ้าวดูก่อนที่เปิดที่ดูมันเป็นเข้าใจที่ดี When this um, uh, this emotional reaction phenomenon is r e c o g n i z e d um, and and channeled, it means we we see that there are so many different things um, that uh, we could uh, spend time on in our life. And if we were to evaluate them in a purely rational way, there'd be no end to it. But there's that point where we Decide well. Um, I'm going to go for this. This is this is what uh, faith does. It just clarifies. It simplifies. It chooses um, a path. So if we can educate that through uh, reflecting on uh, Buddha, Dhamma, and Sangha, um, and develop that emotional relationship uh, to to Buddha, Dhamma, and Sangha. Then this is very fortifying for uh, the Dhamma practice. And um, through, when I was um, when I was newly ordained monk, and I, I was very fortunate to have the chance to uh, be personal attendant uh, to my teacher Ajahn Chah once, um, and he uh, he said something to me, so. Uh, Won't forget. Well, in fact, uh, don't forget anything he said to me, really. But i s n this particular case, he, he said, my, "My name is uh, my, my lay name was Sean, but uh, he used to have his own pronunciation of, of English names. So he called me Chon, which means spoon. So he said Chon. He said, 'Chon, um, so if you knew how to bow, you'd have tears in your eyes every time.'" Now, If you really knew what you were doing, if you really uh, knew the meaning of Buddha and Dhamma and Sangha, and you really felt that when you bowed, you'd have tears in your eyes every time. So. We've been o e r v i n g but t h e r e a pair of t r a s <laughs> l a t o r s <laughs> here. Oh, who understands? Lift o u head up. Oh, he u n e r s t a n d s so much. I don't understand. I'm just o b s e i n g o d n คุณโยบทหารพอเข้าใจไหมอ๋อเก่งนะเออเหมือนเคยฝึกจิตมาเหมือนกันนะคุณโยมทหารอ่าใช้ได้ใช่ไหมคือการกราบพระเนี่ถ้าเรากราบด้วยความรู้สึกเคารพในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเอาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก่อนน ะ, พ, ะพุทธเจ้ากับพระธรรมพระธรรมที่พระเดียวนแสดงธรรมออกมาคําสอนอังเปรเื่อ พอพูดถึงพระสงฆ์เดี๋ยวก็ไปคิดถึงพระสงฆ์ที่ไม่ดีตามข่าวลงอยนี้ก็มันก็ติดขาดกก็เลยไม่พูดเอาพระพุทธพระธรรมและอริยสงฆ์ก็ได้ที่ท่านเป็นแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีมาสายวัดป่าเยอะแยะยิ่งจะมีทุกสายพระอริยเจ้าทั้งหลายพอได้ธรรมะแล้วเนี่ยน้ำตาจะไรพระอาจารย์เคยไปโดนทุดงมาไทยศาสตร์พอได้ธรรมะก็น้ำตาไหลพากเลย ทาบซึงหลวงปู่มั่นทราบสึงพระุธเจ้ามันหยุดไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะเสียใจร้องไห้ที่มาเดินแล้วหิวข้าวเจ็บขาอะไรเชะมันมีความสุขและมันมีความรู้สึกว่าเรานี่โชคดีที่เราได้โอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะเกิดเป็นมนุษย์เราโชคดีแล้ชีวิตนี้เราจะไม่ทำบาปอีกต่อไป แล้วเวลากราบพระแล้วทีนี้จะทราบเช่ไสังเกตนะอันนี้พระาจารย์จากประสบการณ์ที่ดูศึกษาในหลวงรัชการที่เก้ากรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักนี่ไม่ใช่คนไทยแล้วนะในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยท่านจะเคารพพระอารยสงฆ์นะท่านจะไปกราบบดหลวงปู่องค์ไหนไปสนทนาธรรมแล้วท่านจะเป็นผู้นั่งสมาธิได้ดีเยี่ยม า, ามี ขารัชบริพานหลายหลา ย, หลายคนหลายท่านเล่าให้ฟังอย่างในหนังสือเนะี่ยพลตํารวจเอกว่าสิษเด็ ก, ก่งชอนในตํารวจ ร, ราชองครักษ์เล่าว่าในหลวงสอนจำนั่งสมาธิเขียนไปหาอ่านแล้วนะบอกนั่งสมาธิต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะต้องมีติประกอบนะอะไรต่างๆเก่งมากในหลวงในนั่งสมาธิเก่งนะแล้วท่านก็จะนอบน้อมสังเกตคุยคุยกับพระอารีย์จ้าท่านก็จะคุยเรื่องการปฏิบัติ อาจารย์ไม่ใช้ห า, าัสศาสนาะขอไปนะใช้คำพูดไลยนะท่านจัดสนธนาทรรมแทาใช้คำว่าทรรมแท้นะไม่ได้มีเรื่องเด้ออื่นก็มีประกอบอาถามปัญหาทางโลกบ้างอะไรแต่ส่วนใหญ่ท่านก็ปฏิบัติทางจิตเนี่ยในหลวงอย่างสนใจปฏิบัติทางจิตเราเป็นประสบในกรเราเป็นเหมือน ลูกของท่านต้องสนใจบ้างการนั่งสมาธิเนี่ยเพรานั่งเป็นนะมันมีสติมันมีความสุขสมมติเราเครียดมาเราโกรธใครมานะพอเรานั่งแป๊บเดียวมันก็เบาหน่อยมันอาจจะไม่ดับไปมันก็เบาลงดีกว่าเราไปโมโหโยวยวายเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องเกิดดาวขึ้นมา mm. พวกเราที่ติดนั่งสมาธินะบางคนไปเรื่อยดัง มันแก้ยากนะระวังนะจิตมันเข้าวพวังสติอ่อนถ้ามีเสียงดังก็จะตกใจขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าสติอ่อนแต่ถ้านั่งสมาธิเป็นไม่เป็นหไรมันจะใสจิกเลยพูดก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาใครเอาอะไรมาเคลยนใกล้ๆก็ไม่ตกใจเพระฉนั่งประตูมันติดข้ามาปั้งอย่างนี้น ไม่ตกใจสมาธิสติบริบูรณ์อยู่อนั้นพยายามฝึกให้จติของเราควบคุมทวารทั้งหกรู้จักตาเห็นรูปสมมติเรากำหนดแบบสติปัฏฐานสีก็เห็นหนอจบที่ตามัจะพาเห็นปุ๊บอืสวยชอบไม่สวยไม่ชอบคิดเด็กเกิดสวยก็เป็นโลภะไม่ชอบเพราะมันชอบขึ้นมาก็เป็นโลภะ ไม่สวยก็ไม่ชอบเป็นโทสะทันทีมันปฏิเสธใจมันปฏิเสธดังนั้นเนี่ยจิตที่ละเอียดของเราต้องระวังเอาลืมถามไปปรารถนามรผลนิพพานหรือเปล่าหรือว่าทำไปพออยู่ได้พอประคองได้ใครปรารถนานิพพานแล้วยงมือขึ้นโอ้สาธุหลายท่านนะขออนุมโมทนาต้องทำจริงนะต้องทำจริง ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระนะโยเป็นคาราวาใจเป็นพระได้บวชใจแต่ต้องทําจริงนะไอ้คนนี้ขยันทำไอ้เดี๋ยวคนนี้ไปกินเหล้าก่อนไกว่างเดี๋ยวรอนี่พ่านชาติหน้าเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันก็เลยเหมือนกี่เข้าพี่ออกเอาจริงก็เอาจริงตลอดแต่ไม่ใช่ว่าเรามุ่งทางธรรมแล้วทางโลกเสียหายไม่ใช่ทางโลกก็ทํางานไปแต่ใจก็มีกรรมาฐานไปฝึกได้ ได้รู้ไหมว่าคารวาสเนี่ยดีกว่าพระบางครั้งคือมันเห็นทุกข์กันเราต้องทำงานเราต้องหาเงินเราต้องเลี้ยงครอบครัวภาพบางทีอยู่วัดขอไัยแนละ้ววัดที่สบายเนะี่ยกวิตบาตฉันก็ไม่มีงานหนักก็นอนบางทีก็ดูทีวีอะไรเงี้ย ก, กิเลสมันก็เกิดขึ้นเยอะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่รู้ว่าเราเนี่ยเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์นั่นแะตัวปัญญาเลยหลวงพ่อชาสอนว่า รู้ทุกเข้าใจทุกอย่าเกลียดทุกอย่าหนีทุกให้ใช้ทุกน่ะดับทุกมันคือพอเราเข้าใจทุกเดี๋ยทุกมันก็ดับแม้มันไม่ดับเราก็ไม่ทุกอยู่กับทุกให้เป็นสุขอ่ะใครเข้าใจโยมยกไปขึ้นเก่งมากเนะ่ยโยมเมื่อกี้นี่มาตามปัตถนาณิพานพวกปีนึงก็โดนย้ายหลายรอบีปเรย่อยๆทุกเยอะเกันเอาล่ะอย่างเงี้หละไม่เกิดีกดีกว่า มันจะต้องมาโดนย้ายอีกไปนิพพานดีกว่าดีไหมอ่านี่นะความทุกข์ของคุณโยมอะอาสมมติว่าไม่มีตังค์กินข้าวอยู่ข้าวทุกไหมทุกไม่ต้องออกกินไปแล้วถ่ายไม่ออกทุกไหมมันบางคนอะมันท้องถูกผ่าจาย์ถ่ายไม่ออกไปหาหมอหมอก็บอกเออไม่รู้เป็นอะไรแค่นี้ก็ไปต่อเรื่องกินเรื่องเดียวไปแยนะกินไม่ได้ก็ทุกกินได้ถ่ายไม่ออกก็ทุกนิดเรื่องเดียวนะ บางคนเรื่องสายตาไม่ดีมองไม่เห็นเป็นต้อโนนเป็นนิ้นโอ้มันเอาง่ายๆทุกทวารหูได้ยินไม่ได้ยินบ้างหูตึงบ้างกระทุกแล้วจมูกอประสาทดมกลิ่นไม่ดีก็ทุกเนีเป็นไซนัทเป็นเลือดกำเดาไหลบางคนเลือดกำเดาไหลไม่หยุดก็มีทุกอย่างอะ่ะมันทุกทั้งนั้นไม่ต้องรอ้อยทุกมากถ้าเรามองให้ดีเนะี่ย เราก็จะรู้เลยว่าอการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแต่เราก็ปฏิบัติรำเพื่อให้จิตของเราอยู่กับทุกข์ได้ในความรู้สึกของพระอาจารย์นะตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะอันนี้ให้ประสบการณ์ที่สุดแห่งทุกข์นะมันมีสองอย่างพอทุกข์ที่สุดแล้วมันดับเขรามันเองโดยที่เราถึงเวลาแรงแรงกิเลสแรงกรรมมันหมดมันดับ สองมันไม่ดับนะทุกมันยังอยู่นะแต่ใจมันไม่ทุกเออเรื่องของมันอยู่กับมันมาเยอะนะเ อ, อปัญหามันยังไม่แก้ไม่ได้แต่ใจไม่ทุกมันเข้าใจนะมันจะไปเปลี่ยนคนบางคนให้ได้ดั่งใจเราไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ใจเรานะสงบที่ใจเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนียที่สุดแห่งทุกใครเข้าใจย่งมมัขึ้นอยู่ปัญญา พอที่สุดแห่งทุกปัญญามันก็เกิดนมาททีเอาละทีนี้จะฝึกกาบนะตั้งใจนะกาบแบบที่พระอาจารย์พระสงฆ์กาบพระพุทธเจา้าจะได้เข้าใจว่าหลวงพ่อชาท่านสอนท่านอาจารย์ชยสาโรพระฝรังท่านเก่งนะท่านพระอาจารย์ชยสาโรเนี่ยท่านเทศฟังแลวน่าฟังมีอารมณ์กรรมาฐานที่ดีถ้าท่านปฏิบัติจริง สมมุติเราจะกราบพระพุทธเจา้าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าเป็นบิดาผ้าบิดาของชาวพุทธบาีเอ๊ะเราเป็นพุทธมันจะเบี่ยนบ้านเนี่ยมันจะนึกยังไงพระเบเกรเจา้าประวัติศาสตร์จะเป็นเจ้าชายทศทถะมันจะทราบถึงยังไงทราบถึงไม่ออกบางคนอมีความรักในหลวงราชการที่9ในแค่รักในหลวงราชการที่9ยิ่งมากขึ้น น, นึกถึงในหลวงก่อนก็ได้ มึกไปออ ก, กถึงพ่อเราก่อนรักพ่อเรานะยพอรักพ่อเรารักในหลวงเดี๋ยวก็รักพระพุทธเจ้าเองเอา้าวใครจะใจยกมาขึ้นเดี๋ยวมันน้าตามันไหลเลยบางทีเรานึกถึงพ่อเราก็น้ําตาไหลนึกถึงแม่เราเอาบางคนไปละกระตันอยู่ก็ตันอยู่พอถึงในหลวงราช ก, การที่เก้านาี่ท่านก็โอประชาชนอยู่ที่ไหนก็ไปตลอดเลยไม่สบายนะกษัตริย์เมืองอื่นนี้ลําบากในหลวงนี่ เราขอไปกระจับมือบางทีไม่ค่อยอยากไปไหนสบายประเทศอื่นในหลวงที่การที่ก้าวในตลอดชีวิตลำบากเพื่อประชาชนนั้นเราก็เคารพท่านนอกน้อมเป็นประชาชนที่ดีท่นนี้มาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนทุกคนเป็นคนดีหีืไม่ต่างเราก็เอานำพระธรรมของท่านมาไว้ในใจของเราชี้ทางบรรเทาทุกข์ชีสุขเกษมสาร ที่ทางพนาฤภานอันพ้นโสวิโยคไยกังจัดน้ำใจยาบสันดานบาปข่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งอินมาละบาปบำเพ็ญบุญนี่คือพระคุณของพระพุทธองค์พระอาจารย์จะใช้บทสวดช่วยด้วยให้สติถ้ามีดนตรีจะน้อมจิตเราไปง่ายเสียงขับร้องหรือเสียงสรพันยาก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเตรียมตัวนะ ชชากดยามนุ่มนวลกล่าชาใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลพระอาจารย์จะบอกนะครา บ, บอกให้กราบก็กลา่าวค่อยๆบอมีจิตดู้ว่าเรากำลังกลาจิตน้อมเรียนถึงพ่อคุณคุณพ่อละก่อนจะได้พ่อสองา ขอครวพ่อขอคารพพ่อให่ชาติในหลวงรการที่9อ่อามาก็ในรลวงรการที่10เป็นในหรวงพ่อให่ชาติตองปัจจุบันจนไปถึง อ, องสมเด็จพระจอบมาสษพุทธเจา้าพระพิดานเจชาพุทธารามทำได้ดีมนาะหลายคนนอกเนา ป่าพระพุตตะบาดยังไม่เหยขึ้นขึ้น่าทาคมได้แค่ไหนก็แค่นั้นถ้าปวดเอวก็เนยขึ้นได้ขาที่หนึ่งปฏิภาณโดยกายยกังโดจีกังมโนกังกังหน้าตีเตียนอนันใดที่ข้าพระเจ้าก็ททาแล้วต่อคุณพระรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพรสงฆ์คุณบิาาดามันดาคุณ กันในวีวีในท่านนายพระพุทธศาสนาท่านาอให้ทุกท่านได้โปรดโอหิสิกามให้แก่ข้าพเจ้าหาผู้ใดร่วมเตือนข้าพเจ้าประคอโอหิสิกามให้บุญความดีใดที่ท่านในข้าพเจ้าทำขอสมุทนาบุญซึ่งแต่ละกรรมมีความสุขและบริสุทธิ์ประการใดไ ใ, ใจตามรู้สติตามกึ้นมทุกข์ยังอยากรู้ตลอดมันเกอรู้กายรู้จิตสติปานสีตายเป็นจิน้สติตรู้ใค ร, รู้สึกในความสุขเื่ยบร้อย ส, สุดใจรสร้าสิงมาพุดเจ้มยศหมดอิ้ น, น, นค่ อ, อยๆทำส่งี้ฝ่าอ่อนโยน จะทำให้จิตเรา อ, อ่อนโยนนับหนึ่งตามครั้ที่สองให้ดีกว่าเดิม น, นุ่มนวนแลระเวียบเรีาาเลยบรื่อเราทำอะไรลงมาเยอะแล่วทำช้าๆบ้างการกล่าวอันสวยงามไม่คือบกบอ ก, บอกวความเครบอย่างแท้จริงนนในจิตใจของเราเง่ืนล้วนี้ จะรู้รรดีแล้วคอยท้าพระเจ้าจะรู้แจ้งตามท้าพระเจ้าจะนำพาผู้นี้รู้แจ้งตามีดองตาเห็นทังรู้ธรรมบนทุกสู่ปันิพาตโดยทุกข์ร่ากันค่อย้อเดือดช้านุ่มนวนนอกนอ้อมเดินมาแล้วตั้งสติไปก่อน จิตเราอ่อนโยนนุ่มนวนไหมใครรู้สึกจิตของเราสงจบจกเบื้อขึ้นจิตอ่อนโยนก็มนะวันยกมบือขึ้นปานโมทนาคันที่สามให้ดีที่สุดค่อยๆคือค่อยจ่าลงไป สามัติฐานพระพุทธเจ้าวอนโมธนาบุญกับการตัดสรุปธร ร, ม, ททรมของพระพุทธเจ้าทุตพุทองค์พระปเิจจพุทธเจ้าทุตพุทธองค์พระมาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ในการปริบุธรรมของพระาริยะเจ้าทั้งหลายการสวดธรัน ข้า พ, เ จ, าาพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าเป็นพ่อคุณแม่สามีภรรยาบุตรลูกหลานทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมประเสริฐนั้นสันติสุขสันติภาพจงบังเกิดมีแก่ครอบครัวข้าพเจ้าที่บ้านที่ธรรม า, านใกล้เดินเคียงยากิสนิทมิสายทัายทั่วประเทศทั่วทวีปทั่วโลกทวจักรวาลเมตตาบารมีกันไม่อภยัยไม่เบียดเบียนปรัทถ์สลายกันมีความสุขไม่โดนตาย กได้รบรู้ธรรมบนทุกส่ภัญญาปานโวยที่ไมน่ากันทุกท่านทุกหน ท, ที่ทคอยคองเบิกเชื้อให้สถีตตรตอดเวลาตายกอดโยนจิตใจของเราก็อดโยน่้นวยนวลบางคนจะรู้สึกว่าใจ พุทธเจังสัูชา้ารบบูชาปุตตะฟร๊อยเลยซึมมีมสติแล้ก็ซาบซึ้าางเมื่อทำอันที่ใบ้อยคุณโยอมจิตคนุณยอมจะเปลี่ยนไปใจจะอ่อนโยนขึ้นที่เคยทำอะไรไบไวแล้วมี อาหลมันงทีมันวุ่นวายมิดหิดง่ายโมโหง่ายเมื่อเราทำจิตแบบนี้มันก็เบาสติก็เกิดขึ้นเวลาจะบิดบิดใครมันก็รู้ทันอยากจะว่าใครก็ไม่อยากว่า พระนี่ก็มีสมาธิอย่างหนึ่งนะแล้วก็ได้สติด้วยขณะที่เราทําอะไรช้าๆเนี่ยก้มลงไปช้าๆก็มีสติบางทีเราทําอะไรเร็วๆนี่มันบางทีมันก็ดีนะแต่ถ้าขาดสติมันก็อาจจะแก้ไขอะไรไม่ทันคํำบังคำที่พูดไปแล้วเนี่ยทําให้คนอื่นเสียใจ การกระทำบางอย่างที่ทําไปแล้วคนอื่นเสียใจมันจะแก้ไขไม่ได้เราก็าสร้างวิบากกรรมขึ้นมาในจิตใจของตอนเองและของผู้อื่นคนที่มีเมตตาเนี่ยเขาจะระวังระวังคำพูดการกระทําไม่ให้คนอื่นทุกเพราะเราใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข ความสุขเพราะว่าไม่มีความทุกข์เดือดร้อนจากคนคนนั้นมาสู่เราเหือนกันนะคุณโยมอยู่ในที่ทา ง, งานถ้าคนไหนมีความไม่ตาณเราก็อยากไปคุยมีอะไรก็อยากปรึกษาถ้าคนไหนดุคนไหนมีอารมณ์รุนแรงก็ามาอยากเข้าไปพอเข้าไปแล้วมันไม่สบายใจ แต่จะพอะบางทีเนี่ยพวกข้าบรรดาลูกน้องบางทีใช้อารมณ์มากลูกน้องก็กลัวกางลรังใช้เมตตาบ้างพระเดชพระคุณะสมประสานได้แต่การมีเมตตาเนี่ยมันจะคองใจคนการรักษาจิตผู้อื่นก็เหมือนรักษาจิตเรา การม่ตาผู้อื่นก็เหมือนม่ตาตัวเองพูดเพราะให้ทุกคนฟังคนหนึ่งก็จะพูดพอกรลคิดดีพูดดีทำดีสู่ดีนะั่นไม่มีใครชอบให้ใครมาว่าไม่มีใครชอบให้ใครมาใส่อารมณ์เช่นเดียวกัน เราก็ไม่ควรที่จะไปใส่อารมณ์คนอื่นไม่ใช่อยากจะว่าก็ว่าไปการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงธรรมะจริงๆตัวตนจะน้อยลงอัตตาจะน้อยลงความหลงว่าเราเก่งเราดีกว่าคนอื่นมันจะไม่มีนะมันแสดงว่าเราปฏิบัติธรรมถูกทาง เคมีลูกศิลป์คนหนึ่งเขาก็ฝึกสมาธินั่งสมาธิเก่งพอกลับบ้านเนี่ยสามีลูกเขาไม่ได้ปฏิบัตินะเขาจะแบ่งย่านะเธอไม่ปฏิบัติฉันดีกว่าเธอเธอยังไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็จะทำแบบมันเชิดใส่สามีเขาสามีเขาบอกกูคนปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้หรือมันิเศษกว่าคนอื่นไปเลย ้าไมเธอปฏิบัติธรรมเธอจะไม่มีอัตตาสูงเหรือเกินเธอหอะได้แล้วมั้งผิดทางแล้วใครเข้าใจยกมือขึ้นคนปฏิบัติธรรมได้ต้องเมตตาเมตตาคนที่ไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยต้องพูดให้กำลังใจแนะนำให้เข้ามาปฏิบัติ ไม่ใช่ไปเก่งใส่เขาเขาก็ไม่มาหรอกโอหปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ฉันไม่เอาด้วยแล้วอัตตาสูงร่ำหยีเขาไม่เอาแล้วไนงะปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีตัวตนเคยมีครอบครัวหนึงนะะเจอพระอาจารย์ลูกชายบอกมาปผมจะเปลี่ยนศาสรศาสนะาเนี่ยพระอาจารย์ทำไมก็แม่ผมปฏิบัติธรรมมายี่สิบปี ยังทะเลาะ ก, กับพ่อทวันเนี่ยยังด่าผมรุนแรงอยู่เล ย, เลยผมจะไปไปคิดแล้วเนี่ยเอ อ, เ อ, อมาดีกว่ามานีเลยมาค่อยมาปราบาษามาการบรรยายพระในบ้านพระคุณพ่อแม่ให้ฟังนั่งสมาธิให้เป็นกราบพระให้จิตเย็นสงบอิเบตายห้อภัยทําไมเราให้อภัยเพื่อนได้ให้อภัยพ่อแม่ไม่ได้เออมันก็เริ่มคิดได้นะ เพื่อนบางทียืมตังไปยังไม่ให้มันให้ภัยได้แม่ดุริดหน่อยก็ไม่ยอมอะไรงี้เข้ามาปฏิบัติก็เริ่มคิดได้ไปขอขามาแม่แม่ก็แปลกใจชวนแม่มาปฏิบัติเถอะพระอาจารย์บอกโยมปฏิบัติยังไงโอโยมปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีทั้งสองคนผมเองเป็นอาจารย์ด้วยนะเป็นวิทยากรด้วยมนะโอ้โออตาเต็มเครื่องยโยม อาจารย์พวกันบ้านพังเลยนะอาจารย์ลูกจะเป็นคิดอยู่หน้าลูกอะ่ะเออเพิ่ง ม, มารู้เลยว่าตายแล้วนี่อาจารย์นี่ลูกจะเปลี่ยนไปเป็นคิดอยู่แล้วนะอาจารย์ทั้งหลายถกูกหรือผิดล่ะเนี่ยทีนี้แก่ไหมผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนธรรมดาพระอริยะก็คือคนธรรมดา แต่ได้พิเศษพิโส ว, วใครหรอกก็ยังกินข้าวเหมือนกันก็ยังปัสสวะอุจาระเหมือนกันอย่าหลงตนเลยผิดทางแล้วเข้าใจเลยที่เดต้องน้อยลงเมตตาต้องมากขึ้นต้องเข้าใจคนที่ทุกข์ยากเมตตาสงสารเขาคือผมญาณสี่เกิดขึ้นนะสังเกติง คนไม่ตามเนี่ยให้อภัยคนง่ายไหมนะ่ะคนอิโก้สูงอะให้ภัยไหมเ้ยเดี๋ยวเรู้จักว่าชันเป็นใครเนี่ยฉันเป็นใครอ๋อไปเลยนะดีหรืออาจารย์ดีหรือวิทยากรลูกสิษย์ น, นี้หมดแล้วตตามมีไหมนะ่ะ ถ้ามีไม่ตานะคือมีพระอิปักษนาจารย์นะซึ่อเจ้านอาจารย์มาหานค ร, รดลสอนที่มาหาวิทยาลัยสงศ์สอนพระนิสิตพระนิสิตก็ดื้อมันนะไปห้องน้ำบอกสอนที่ปรัชนาเลยไม่ได้เรื่องว่ามันด่าในห้องน้าเดียบหมดอารมณ์พอดีท่านก็อยู่ในห้องน้ํา <c oughs> ถ้าไปองอึด ข, ของขึ้นหนึ่งเรียกมาลงโทษหมดท่า น, นปรับตกอร่งอะไรเงี้ยท่านาบอกห้องน้ำปุ๊บบางคนก็สูบบรีอยู่ด้วยนะอันนี้ไม่ใชกว่านะมันก็ มธรรมดาเข้าทางโลกพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีไปเด็นหนังสือกันเยอะนพอท่านออกมาท่านก็บอกคุยอะไรกันเหรอเนี่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยที่คุยอะไรกันเงียบเก็บท่านก็เดิมยิ้มยิ้มบอกไปนี่อภิปัสนาจารย์เฮ้ย ม, มันด่ามันไม่มีตัวตนดา่าไปเด็เข้าใจเองเหมือนเมื่อก่อนนี่ยอันนี้ในประวัติในพระพุทธศาสนาพราหมณ์เขาหน้าตือยิ่งดู ภรยาเขาลับถือพระพุทธเจ้าวันนี้จะทําบุญของฮินดูนะเธออย่าพูดอะไรเกี่ยวกับพูดเลยนะเขาตกลงกันแล้วก็ดีบุนเชิญนักบวชของพราหมมาก็เอาอาหารมาเลี้ยงเหมือนพุทธนะ่ะเขาก็ฉันเหมือนกันเพื่อภรรยาก็ถือถาดมาเยอะอธิษฐาดมันหล่นอะไรถ้วยมันหล่นก็นาโมนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพรามได้ยินปั๊บลุกบมดเลย ไอ้สามีโมโหด่าภรรยาเลยคุณทำอย่างนี้ตก ล, ลงกันแล้วของขึ้นเลยภรรยาก็นิ่งมันดูจะพูดยังไงโมโหตามไปหาพระพุทธเจ้าไปด่าพระพุทธเจ้าที่วัดนึงพระเจ้าก็นั่งฟังอา้าพราด่าไปมดแรงพระเจ้าไม่ว่าเลยทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดแล้อลวอันนี้พระอาจารย์พูดเองนะแต่ท่านก็นั่งนิ่งของท่านนะอา้สอสาเสาจะพักหายเหนื่อยกว่า ขอไภ่เนี่ยก็เรียกชื่อพระพุทธเจ้าธรรมดาไม่ได้ขรลมฉนักขุดดมทํำไมเจ้าไม่โกรธเอาเลยเราดา่าเจ้าจะไม่แย่ๆดูก่อนพรามเมื่อเจ้าของบ้านอยู่ที่บ้านมีแขกมาเยี่ยมแขกนี่ไม่ใช่คนอินเดียนะมาถึงคนอื่นมาเยี่ยมเออคนอื่นมาเยี่ยมแล้วเอาของมาให้เช่นเราถือของฝันถือผลมไม้อะไรมาให้เนี่ยถ้าเจ้าบ้านไม่รับของนั้นเป็นของใคร ก็เป็นของคนที่เอามาเอากลับไปเช่นเดียวกันคําที่พามด่าเราถ้าเราไม่รับคําด่านั้นเป็นของใครเออกูด่าตัวเองแล้วะเต็มเต็มเลยถ้าพระเจ้าไม่รับคูด่าตัวเองเลยเต็มเต็มเลยอันนี้พูดเองนะผู้ดเดียงแต่จริงในในพระไตรปิฎกเขาพูดพ่อกว่านี้นะพระอาจารย์เขาพูดให้มันเห็นภาพนั่งคิดสักพักโอ้กาพระพุทธเจ้าเลยทีนี้ยอมเลยก็ด่าไม่โกรดนิจแสดงว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาท่านน่อยู่ ก็พอกราบพระธิจ้าก็แสดงธรรมอะไรให้ฟังบางเรื่องบุคคลชนะความโกรธได้ประเสริฐแน่ก็คือวิสติกวิตาแนละปัญญาพามบรรลุปเป็นรัศดาบั น, นก็นับถือพุทธขึ้นมาอายอมยิ้มเนี่ยแสดงยอมโกรธคนอื่นบ่อยกนะ็ว่ายอมหรือมีคนกำลังซัดเราอยู่เราจะตอบโต้ดีไหมเอาคืนดีไหม อย่าเลยพึงชนะความโกรธด้วยนต่งพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตันดีด้วยการให้แต่อย่าให้หมดตัวเดี๋ยวเราซวยให้อภัยเขาพัดใจนะโยมเอาละ่ะเทศมาเยอะแล้วมีอะไรจะถามมาั้งเขบอกให้ตบเกิดถามมาังเอาเชิญถามได้โยมเออบาปเลยครับไม่ได้พันธมหันหลังให้ถ้ามีก็บอกต่อกัอนมาได้นะครับหีือไม อ่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนิดหนึง่งเตือนสติอันนี้เป็นเวลาพระอาจารย์ไปสอนที่ไหนจะเปิดบ่อยสำหรับคนที่หลงรูปร่างกายหลงความสวยงามอะไรต่างๆเพลงของปานธนพรเคยดูไหมเออตราบลงไว้ใจสุดท้ายสอนเนาร่างกายนี้มันพอลาแก่แล้วก็ไม่สวยนะไม่ใช่บอกฉันสวยเลือกได้นะยานะยานะอะไบางคนเป็นอย่างนั้น พเพราะแล้วเพลงนี้สอนดีด้วยเป็นความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นความจริง จะมาพร้มหร่วงโรยลงในสายารยามกเวลา อยาก ก็ เ, เกิดความหมวงหัวงแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของครอบครองบางทีก็ทําร้ายจงกันได้กันแม่เธอเป็นอื่นก็หยิบยืมความตายให้เพราะความหลงไปยึดร่างกายของเขาว่าเป็นของเราแท้จริงแล้วร่างกายเรายัางพิเศษของเราเลยด้าร่างกายของผู้อื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรสุดท้ายทุกคนต้องตาย ไอ้ที่สำคัญหลาไปลายแล้วจะไปไหนนะจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าเป็นมนุษย์นจะได้พบพระพุทธศาสนาไหมเป็นมนุษย์น่เป็นผู้พิการไหมยากจนไหมเกิดในที่มีสงครามไหมควรจะใช้ปัญญาพิจารณาดูในฐานะที่เราเป็นชอบชมหลมพุทธเพราะส่วนใหญ่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้ว เราจะสมจิตแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นมันนะสุดท้ายทุกคนต้องตายอ้าเปิดดอกไม้พระอริยเจ้า โลกโลกีปลดลงทิ้งหลงเสียทีสร้างกรรมดีดีตีกรรมเวนเพลงมันสอนนะจะทำบาปอีกต่อไปถ้าที่ทิเบตนะบางที่เนี่ยเขาไม่ได้เผาเขาสับรา่างมานี่ก็สับสับสับแล้วก็มันจะมีแรงมารออยู่ก็โยนให้กินเคยดูไหมในะยูทุกนีใครเคดูยกมือขึ้นก็ ย, ยังเป็นประโยชน์ให้จัดกินนะ แสดงว่าเรากินเขามาเยอะนะั้นเขากินมั่งเวลาตายไม่ได้เป็นดีเขามากเกินไปฟังทำวันนี้ดีไมโยมใครรู้สึกดียกมือขออนุมโมทนานะให้อยู่แล้วก็ทำประโยชน์ให้ตนเองประโยชน์ให้สังคมบ้างให้ประเทศชาติเรามีความสงบสง บ, ส, งบ <c oughs> สุขสงบร่มเย็นได่ตากันให้อภัยกันไม่ว่ากัน ตอนนี้กำลังเลือกตั้งก็อย่าว่ากันเอาอะไรกันก็ไม่รู้พักไหนก็ได้ขอให้มาแล้วบริหารประเทศชาติขอให้เราอยู่กันแบบสามัคคีกันนะไม่ว่ากันนะเราจะมีความสุขอย่าแบ่งสีเลยสีไหนก็คนไทยเหมือนกันใครมาก็ดีทั้งนั้นขอให้ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนี่คือเราใช้หลักธรรมบริหารที่ไม่ตา มีเมตตาต่อกันทนี่ได้คุยกับคุณโยมอ่าคุณโยมเชื่ออะไร น, นะคุณโยมชาติทิศบอกว่าป่าถนานิพานเป็นอลูกศิษย์สายหลวงปู่มัน่นมีแม่สายหลวงปู่มั่นยก ม, มือขึ้นโยมน่าจะเยอะอยหนกะันหนึ่งสายผ้าป่ายก ม, มือขึ้นโยมเอกำพูดอย่างนี้เอามือลงสายผ้าบ้านหรือแม่โยมอาบ้านก็บางคนก็บอกอะไรมาหาดีกายอะยัง สายหลวงพอ่อหรือสีดิ้งดำหลวงปู่ดูเนี้ยบเพิ่มมาขึ้นโยอะข้ามบีจริงๆทุกสายนี้ผ่านได้หมดขอให้เราปฏิบัติจริงจะเดินสติให้ได้แล้วอย่าว่ากันทุกวัดดีหมดครูบาอาจารย์ท่านก็สอนดีไปแล้วอย่าไปแบ่งแย้งเราปฏิบัติของเราจะเดินเมตตาของเราอย่างหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นนี่ท่านเขาเขาก็รู้กันอยู่แล้เป็นพระอรหันต์ อ, อย่างหลวงพ่อฤาษีดำเขาก็รู้เยอะเป็นพระรหันอ้าวพระอาจารย์ทุกพูดถูกไหมก็ะจะว่ากันทําไมแต่รัชายก็นิพพานเหมือนกันอย่าว่ากันแล้วก็สิ่งหนึ่งจะแนะนําให้เมื่อกี้พูดในห้องน้ําเวลาปฏิบัตินะังพระอาจารย์ประสบการณ์ตัวเองเดินทวดดงแทบตายแล้วถ้าสู้เองจะสู้ไม่ไหวต้องรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าใส่เดินทวดดงกับรัตนาบารมีหลวงปู่มั่นแต่พระอาจารย์ก็ฝึกทุกสายเลยนะ ไปฝึกสติปัฐานสี่ก็อันนั้นบอกวัดพระธาตุสีชมองเชียงใหม่หลวงปู่ทองแต่ตอนนั้นเป็นคาราวาสนะเป็นรองอุ้งกลับอยู่ที่เมืองลำพูนคือลืมบอกไปพระอาจารย์จบโรงเรียนน้อยตำรวจมีเพื่อนทหารเยอะแยะหลายคนแล้วก็ได้บวชเมื่ออายุยีิบเจ็ดแล้วไปเดินทุดงสายหลวงปู่มั่นน่นะ ก็โอยใหม่ๆก็กีรดเยอะนะตำรวจรู้ๆอยู่เพื่อนไปทาหารด้วยกันไม่เข้าวัดเรามนจนเที่ยวอย่างเดียวแม่บอกไปถ้าวัดไม่ไปไอ้เพื่อนคนนึงพิชาญจรรอบรรดี่นี่นเป็นอะไรอยู่ภาคใต้ยเย่างมันหับเป็นใหญ่แม่ น, น, น่าจะลองไม่ทับหรือยังไงพระอาจารย์จำไม่ได้มันนานนะแต่เป็นในผลน่ะมันก็บอกเฮ้ยไปก็ไปวะไปทำอะไรวะไปดูสาวสวกันนะครัาวัด ตอนนั่งก็ไปอ่ะเพราะไม่อยากไปฏิเศธแม่ตอนนี้นเป็นไม่ใช่พานะคูดเป็นภานี่เดือดเดือดร้อนเป็นนักเรียนในะร้อยตำรวจท่านตอนนั้นกิเลสเยอะไงพอเข้าใจนะก็ไปนั่งดูเอเอก็ไปนะแม่ก็เอือมาวัดกันเองแต่นี่โชคดีแม่ให้บวชพอไปบวชแล้วก็ไปเดินทุดงเลยแม่ให้เขไปเดินทุดงไม่รู้เรื่องเลยสายวัดป่านละโอ้โหทีนี้โยมเดินเท้าแตกฉันเราเป็นคนกรุงเทพนะ ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันลําบากมากบางวันเนี่ยพระเขาบอกว่าท่านตํารวจวันนี้มีตีนูพิเศษโอ้โอก่ยากวลคิดใจใจอึ่งต้มโยมเคยินไหมอึ่งต้มตัวนี้เดียวพอมันต้มปลื้มเลยตัวเท่าดีบอกแต่หลวงพี่พิจารณาเลยนะ้วบางวันมีก๋วยเตี๋ยวพิเศษไปอีกหรอท่านตํารวจวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลย อะไร่ะก็ฉันไปเฮ้ยทำไมเนื้อมันสากๆเนื้อหมาหรือพี่โอ้โหโดนไหลไม่รู้อ้วกเลยอ่ะเราเป็นคนกรุงเทพอันนี้พระป่าเขาก็ฉันแต่ถ้าบางองคเข่งทันเขาไม่ฉันนะเนื้อที่ท่านห้ามพระพุทธเจ้าห้ามก็ก็แล้วแต่นะบางองคก็ยังติดในรถเก็ฉันไปเรื่อยเป่ๆนะแต่ท่านบางองค์เข่งๆแต่ก็ฉันตามพระธรรมบีัยสายหลงปกมั่นไม่ได้นะเข่งแต่ตามบีไย แต่พอได้ธรรมาโยมชีวิตเปลี่ยนก็วบวดไม่เสร็จแล้วมาตอนย7เจ็เป็ น, นร้อยตำรวจโทแต่สงสารแม่ก็เลยมามาดูแลแม่แล้วก็ตั้งใจจะบวชไม่สึกเนี่ยพอมาปีสองพัน้อยห้าสิบตำแหน่งสุดท้ายก็ลองพุ่งกลับฝ่ายป้องกันที่เถินก็บวชถวายในหลวงราชการที่เก้าแปดสิบพรรษาบวชว่าจะทดลองสัพันษาหนึ่งยาวมาถึงทุกวันนี้ สิบสามพัรษานะโยมแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องบอกเพื่อนบอกคุณรับพระชทานกระบี่มาคุณต้องตอบแทนในหลวงนี่ตอบแทนในบวชถวายตอบแทนอยู่คุณเป็นเครื่องแบบก็ทำไปนี่บวชถวายอยู่ก็คิดคนละแบบเขาคงเสียดายเออป่านนี้เขาคงปันเอกในพลอะไรเนี่ยตามธรรมดาทางโลก จะมีความสุขนะในการเป็นพรนะมีความสุขมากสังเกตพระอาจารย์จะยิ้มบ่อยๆสังเกตไหมนะมันมีความสุขความสุขเพราะใจเราเนี่ยมันก็เรียกอะไรไม่คิดอะไรให้เป็นอกุศลอี่เมตตาแต่ก็ยิ้มไม่ได้ทุกคนละแนะนําเพิ่มนะคุณโยมเวลาปฏิบัติธรรมเนถ้าสู้เองแทบตายนะอ阿拉ธน า, าบารมีเลยวันนั้นเนะี่ยไปนั่งอยู่ที่ ป่าช้าบ mm, ้านกระนวนปี2530ประมาณมีนาคมขอนแก่นลมพายุมันมาน่ากลัวมากเลยต้นไม้มันใหญ่น่ยจำไหก่อนนะแค่กิ่งบันนี่ขนาดนี้ลนคอหักเลยซาประเดชก็บอกพระพระคุณเจ้าขึ้นสลาเคยมีต้นไม้ทับคนตายอามองุ่นขึ้นกันหมดเลยเหลือไม่กี่องค์เลยไปกันสิกวรูปมั้ก็มีพระสมจริรูปนั้นท่านตางบดจะขึ้นม อืมถ้าท่านขึ้นไปนะผมไม่ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นนั่งนะ่ะตายได้ตลอดเวลาเลยโยมลมมันแรงมากลมพายุอ่ะเคยเหย็นแม่มันยกบ้านขึ้นเลยอ่ะยกหลังคาขึ้นนะ่ะแล้วก็วิ ว, วิวหูวิ่งเลยหมดลูกเห็บหล่นเนี่ยเท่าหัวนิ้วเป่าวงแล้วก็หัวแตกโนขึ้นทันทีเลยอีกทักสองลูกอาจจะลุกแล้ว <c oughs> ดีมาโดนลูกเดียวก็เลยอยู่ต่อ ลมมันแรงแล้วมันหนาวมากแต่พระธุดงค์ก็มีสังกติอีกอันหนึ่งก็เอามาองหคมในใจคิดว่าขออภัยนะขูจะตายไหมวะเนี่ยตำรวจทหารตายเขาให้ยศขึ้นนะท่านโยมทหารหรือก้าวขั้นอย่างเงี้ตายในหน้าที่เนี่ยเป็นยศใหญ่ขึ้นพระตายในหน้าที่จะไปไหนวะคิดในใจพระใหม่ไปบวชใหม่อะ่ะโยมก็คิดเออไปสวรรค์ น, นะวะเอาสวรรค์ก็ไปว่าไม่รู้พระตายจะไปไหนครับตายในหน้าที่เป็นพระก็ไปสวรรค์ แต่จริงๆอาจจะเป็นอริัยยาก็ได้นะถ้ามันเลยได้นะเลยเลยกลัวตายอ่ะนะก็เลยนั่งไปเรื่อยทีเนี้ยยุงโอ้ยมันน่ากลัวก็เลยเออตายก็ตายนึกเลยพระพุทธจ้ า, จาตรัสรู้ทำอย่างไรหลวงปู่มั่นบรรลุธรรมอย่างไรขอให้ลูกได้รู้ตามเพิ่นไปเดือเอเราเดินทุดงไปเจอที่วัดป่าสุทาวานณมีพิธิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเห็นกระดูกเป็นแก้วเนก็ศรัทธา ถ้าถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าหลวงปู่มันเป็นพระรันไปแล้วก็เลยอธิษฐานเลยอยากจะรู้จักคำว่าพระพันบ้างเขาไม่มีดวงตาเห็น ท, ทั้พออธิษฐานแป๊บเดียวโยมนั่งสมาธินะมันสงบไปเหมือนลูกขางหวุนดิ่งหายไปเลยพายุก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีเหมือนมันชัดดาวไปสักพักมันก็กลับมาเหมือนเราอยู่ในที่ที่เงียอยู่คนเดียว มองหาพายุก็ไม่มีหาตัวเราก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้เนี่ยก็เหมือนเหมือนจอภาพยนตร์ขึ้นมาดูหนังกลางแปลงหรือหนังในโรงภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องราวสงครามส่วนใหญ่ช่างม้าวัวเคยดูเรื่องพระฤาไีสวนไหอสีสเดียะไทยแบบเดียวกันนะ้ฟันกันไปฟันกันมามันก็มีความสฉดเดอก็เองอันนี้ฝันไปเองนะฝันเองจะมหาว่าอวลดุลติอย่าคิดอย่างนั้นมันในลิมิตในลิมิต ก็เห็นว่าตัวเราเนี่ยคือเป็นทหารไปฟันเขาเนี่ย 4, สี่ห้าศพเดี๋ยวก็ถูกฟันแล้วมาเกิดเงี้เรื่องก็ซ้ําๆำโอ้ oh. ปัญญากเกิดนะโอ้โเราเกิดมาเนี่ยฆ่ากันมาเยอะเลยแย่งแผ่นดินกันมาไทยพ่อมา ก, ก็แย่งกันมามันก็เกิดสองหลอดจะเรียใจทําไมต้องแย่งกันแด่งกันกินก็ได้เนี่ยภาพสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งโดนทุ่มลงไปในหลุมที่ไม้แหลมแหลมไม้มันก็เสียบฟับเข้าไปเนี่ ดึงออกปรอยู่ทะลุอะ่ะแล้วศพนั้นก็เริ่มเน่าแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆอ่ะไอไอคนนี้มันใครวะเอา้าเป็นเราจําได้เราเคยโดนเขาทำอย่างนี้ก็ยิ่งสรดใจเลยและเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยพอเน่าก็เหลือแต่กระดูกพอเน่าเน่าเน่ากระดูกลมพัดหายหมดเลยพุระเจ้าบอกสุดท้ายมนุษย์เนาก็ดิ่นนงน้ํำลมใสคืนหมดตั้งแต่ภาพจบก็เลยอธิษฐาน ปาฏนานิพพานตามพระพุทธเจ้าตามหลวงปู่มั่นนะไม่ขอเกินแค่นั้นจิตมันเปลี่ยนไปเลยมีความสุขมากอย่างไม่เคยเจอเสุขอย่งางมาฏจหารย์แล้วกันแล้วเมื่อออกมาจากสมาธิก็ถามพระอยู่ด้วยกัอกนะหายไปประมาณสองชั่วโมงขึ้นก็นี่ก็คือเป็นความรู้สึกนะว่ากูบาจานะ ช่วยเราให้เราได้ธรรมะถ้าเราทําเองคงไม่ถึงแล้วเพราะเราก็บวชไปเดินธทดงก็งเดือนเดียวอา้าวคุณโยมพอเข้าใจนะทีนี่วันาปฏิบัตินะอะไอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทําใดที่พระองค์ได้ตัดจรู้หลวงปู่มั่นได้รู้ขอ่อยลูกได้รู้ตามเอาเลยแนะให้แล้วทีนี้โยมถ้าคุณโยมสายครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ดุลสายดูจิตเดี๋ยวท่านอาจารย์ปาโมุ่สายหลวงปู่ดูหลวงตามา สายสติประฐานสี่ของพระ พ, าพาม่าหรือก็มาสอนอย่างหลวงปู่ทองคุณแม่สิริเคยเข้ามไหมคุณแม่สิริท่านก็แม่สิริก็มาจากพาม่านะท่านจะคุณอาจารย์ธรรมชโดกไปฝึกที่พม่ามาม า, มาสอนก็ทิฏฐานเราทําไมเอขอไปธรรมะอันประเสริฐที่ยังไม่บังเกิดห้อยบังเกิดขึ้นมีใช่ไหมล่ะวันในที่ฐานอันเดียวกันนะ่แต่ต้องเอาจริงนะนั่งอย่าอึ้เมื่อยแล้วไม่เอาแล้วเลิกไม่ได้ต้องมีจัดจแล้วมีความเพียร หนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวโยมจะพบแต่อย่านั่งแบบนี้นะไม่เกิดหรอกได้นิวอนให้มันมีสติจิตมันแจ่มตลอดเวลาเดี๋ยวมันชัดดาเขาเรียกถ้าใดทางอนั่นก็เรื่อสมาบัติฌานสมาบัติผลสมาบัติมันเกิดขึ้นเองถ้าจะนั่งสมาธิบรรลุธรรมนะหรือเกิดปัญญาปัญญาก็จะเกิดให้เรา เข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะปาถนานิพาณอีกเอาละวันนี้ก็ขอแสดงธรรมเพียงเท่านี้นะถ้าพูดอะไรไม่ดีก็ขออภยัยถ้าพูดได้ดีก็ขอเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้อขออนบมทา บ, บุญกับคุณโยมทหารนาะที่มานั่งฟังด้วยอ่าทางก็มีใจชอบธรรมะดีนะสาธุ อ่าเชิญเลยนะตามอัธยาศัยอย่าให้เดือดร้อนนะโ okay. อเคนะขอเชิญไปคุยกับพระอจายนะครับในปีบัติ์นี้ท่านมาสร้างาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่เชียงรากน้อยนะครับก็ท่านก็กำลังเริ่มก่อสร้างแล้วก็มีผู้ไปปฏิบัติธรรมก็ ท่านใดที่จะร่วมทำบุญนะครับกับพอาจารย์ในการขยายด้วยจะไปร่วมปฏิบัติทำกับท่านก็ได้นะครับก็จะมีเป็นคอท์นะครับเป็นอ่พระที่ชมรมพุทธก็จะมีหลาท่านก็จะไปที่นั่นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับหรือช่วงระหว่างนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรที่จะถามก็สามารถเรียกได้นะครับอเอาไม้ไปถามเดี๋ยวอาจารย์ก็จะตอบ ให้ท่านนะครับคือโยมทำบุญนะอย่าให้เดือดร้อนนะตามกำลังสิบบาทก็ได้บุญแล้วถ้าเรามีมากไม่เป็นไรถ้าเรามีน้อยอย่าไปทำให้มันคือก่อนทำามามีปิติขณะทำก็ปิติหลังทำก็ปิติไม่ใช่ไอ้เราทำไปเยอะเราเสียดายบุญมันจะพ้อง บุญที่ดีที่สุดก็คือทําจิตเราทําจิตเนาให้เป็นบุญเป็นกุศลตลอดแต่การทําทานก็คือความไม่ประมาณทานก็ทําให้เกิดความคล่องตัวดมสมบูรณ์แต่อย่าให้มากเกินไปเอาพอดีกับกําลังของเรามีน้อยก็ทําน้อยไม่มีเลยก็แล้วมทนาโมทนาบุญก็ได้แล้วสิบเปอร์เซ็นตถ้ามีก็ห้าบาทสิบบาทก็เป็นบุญแล้วไม่เดือดร้อน เด้นที่พระอาจารย์จะสอนใเนเด้นที่จิตก็คือพระพุทธเจ้าบอกบุญสำคัญที่จิตใจของเราทานศีนสู่ภาวนาไม่ได้ภาวนาก็คือการมีสติปัญญาสติปัฏฐานสีนั่นนะสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกสู่มรรคผลที่ผ่านอย่างแท้จริงเมื่อเราทำได้มักแปดก็จะเกิดความเห็นชอบความคิดชอบ ปัจพุชอบเลี้ยงชีพชอบเจราจาชอบสมาธิชอบสติชอบความเพียรชอบมรรคแปดเกิดขึ้นนั่นจิตนั่นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่ารักษาจิตให้ดีตลอดเวลาต้องปลูกมั่นว่าพุโทโธไปเด้อกับพุโทโธตลอดนั้นถ้าสายสติปภาษาสีก็กําหนดเหยียบบทยอ่อยิ้นหนอยินหนอกินห น, น อ, นนอรถหนอถาวรต้ององอกไปสายดอจิตหลงกูดุลก็ดูไปหลวงพ่อชา หลวงพ่อพูดเนี้ยก็ดูจิตเป็นสายเมตตาของหลวงปู่ดู่ก็เห็นแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจา้าทราบถึงพระพุทธเจา้าแล้วก็ราตนาบารามีแผ่เมตตาให้เวไนยสายพระโพธิสัตว์พลวงพ่อสาษีที่ดำก็มโนยิทฐินึกถึงส่งจิตไปหาพระพุทธเจา้ารัตนาบารามีจเจริญพระกรรมาฐานเพื่อมรรคผลที่ผ่านนี่ก็ย่อๆให้ทุกสายสุดท้ายยมจะดิบแบบไหนก็เอาแบบนั้น แต่บาคนก็ฝึกได้ทุกสายนะอย่างพระอาจารย์เนี่ก็ฝึกได้ทุกสายเข้าใจอย่าปิดกั้นใจตัวเองพระกรรมฐ า, านสนะี่สิบกองเนี่ยฝึกไปเถึงอันไหนถูกจติของเรามันก็ไหวนะั่นแหะถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนอันอื่นมัง่งแต่ไม่ไปลบลู่ล่วงเกินว่าไออันนี้ไม่ใช่ผิดไม่ใช่เธอล่วงเกินพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกมีสี่สิบวิธีเธอบอกมีวิธีเดียวเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่เอาต้อง เชื่อพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมดัอองนั้นอยา่าไปร่วงเกินใครนะครับครับอาจารย์จะขอเอถามนมิดนึงนะครับว่าถ้าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าคนที่แบบฝึก ห, หลายๆที่อะไรแบบมันจะมีความสับสนนะครับถ้าไม่มีคนถ้ามาทำมันไม่ไม่ถูกมันก็สับสนได้ถ้าทําเป็นมันไม่สับสนหรอกบาที่มันยังทําไม่ถึงวิชา เ, าเขาก็ไม่เอาแล้วอย่าเงี้ยแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ คุณทำให้จบหลักสูตรเขาทีหลักสูตรเขาเปยังไงให้เข้าใจก่อนแล้ว ไ, ไหมอันนี้ไปเอาโน้นเอานี้ไม่ได้ทั้อย่างก็มั่วนะเอาให้มันได้ทั้อย่างเลยก่อนอย่างพระอาจารย์เนี่ยไปเดินธุ ด, ดงโชคดีเลยพุดโทก่อนเลยต่อมาอดีตศีกาเขาเป็นตอนนี้บทชชีอยู่เขาเป็นวิยากนของคุณแม่สิริรับชวนไปเข้าพระอาจารย์ไม่ไปทีแรกตอนเป็นตำรวจนะพันตำรวจโทรเป็นผอร้อยอยู่โรงเรียนนอร์อีต์ตำรวจไม่ไป พุทโธอ่ิพานแล้วคิดงี้เขาขอร้องให้ไปก็ไปอย่างนั้นอ่ะให้พอไปมันก็ดีนะไปก็ได้เออก็มันก็ดีเหมือนกันนะทุดงไปเดือนหนึ่งแล้ว น, นี่อีกข้อคือแม่สุริแปดวันเจ็ดคืนเอามาสอนเรื่องเรียนในร้อยตำรวจได้ก็ตู่แต่มันยา ก, ก น, นะฝ่าจะปักพุทโธเป็นพองหน่อยุบหน่อมันตีกันเหมือนกันไอ้พุทโธจมูกพองหน่อยุบหน่อมที่ท้องก็จะตีกันนะก็งงเหมือนกันก็เลยปืนทําไปเปิดสําคัญเนะี่ยเราอย่าเป็นแก้วน้ําที่ปิดฝา อย่าเป็นชาล้นถ้วยเติมไม่ลงเปิดใจเหมือนเราเออลองไปดูสุดท้ายก็ได้หมดถ้ามันทำเป็นมันได้หมดอย่าเก่งเกินเขาถ้าเราไปเรียนจากใครเราก็พยายามรอบน้อ ม, อมเรียนรู้ไปให้เราเป็นคนตัดสินใจเอง่อันนี้ใช่ของเราอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาผิดนะแต่เราทำไม่ได้เองเข้าใจได้ยังทุกที่ดีหมดนะถ้าทำเป็นไอจํางานมันทาไม่เป็น ใครก็ใจยกมือขึ้นดีหมดทุกที่เลยเพราะพทยนี่พิสูจน์ตัวเองเลยมนุษย์ยที่ก็ดีดูจิตนี่ดูจิตนี่ทําเองเพราะว่าจากพุโทโธนะพุโทโธที่จิตคุณแม่สิรินะ่ะเบญจกุมนมะั้ระยะหกยกส้นหนอยกหนอเห็นไหาพอเพิ่มระยะเจ็ดยกส้นนอ้องมันมีจังหวะเรื่งคิดหนอไม่คิดหนอใครเคยปฏิบัติยกมือขึ้นเ อ, อไอต้ตรงคิดหนอไม่คิดหนองนั่นก็นดูจิตแ่ะ มันคิดก็คือจิตมันก่อังคิดมันไม่คิดก็คือจิตมันไม่คิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันก็รู้จิตเหมือนกันก็เจโตุปริยานเหมือนกันสายวัดปางกันเดียวกันวิธีต่างแต่สุดท้ายเป้าหมายนิพพานเหมือนกันอ่าเข้าใจนะ